เท่าน้าร้อนก็เรื่องร้อน่ะเรื่องฤดูบ้างเราโชคดีฤดูหลังๆมืงหนาวก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราหนาวตั้งปีหนาวกับลนเดือดหนย อาจจะว่าช um ่วงดีค็นในภูมที่ที่เหมาะสมเั่นคืเราเกิดในทําการภูมิประเทศคือเหมาะสมจะเน้นมันจง่ายๆที่สำคันคือเหมาะสมในการปฏิบัติ สมัยพุทธกรรมโดยเฉพาะอินเกียถ้าใครเคยไปอินเดียปลายปลาปีหลังออกพรรษาต้นปีคุณจะสัมผัสบรรยากาศความหนา ซึงนน่งคนน้นก่อนน 9, อนก่อนที่เข้าค้อสังล้วเดอนเอาเดนแปเข้าค้องาัลใน ป, 9, ป, ปกติทั่วไปเป็นเด็กที่วิจารทัศสรู้เด็กที่เหมาะสมหลังจากทัศสรู้เสร็จแล้วก็ได้โตเป็นจักรวิญญี เาจะปรดเสเคีเสร็จแล้วเพื่อทำมาจากกระโปรงระดับสูงจนบรรจาคมือถังก็คือ โ, โสดาบันนั่งจนกันที่สอ ง, งเป็นส็จหลังจากนั้นที่ปลาอีสีปัฒนา มาทางเช่นเดียวกันเป็นสาวกที่องค์สำคัญองค์หนึ่งก็คือเยสักคราบุตเยสักระบุออกบทคล้ายๆกับบุธิจาวแล้วก็กเจอยูติวทีิป่าอิสิปการณ์วั น, กนไกทายวันนี้คล้ายๆตรงเีื่อว่า เป็นพระทาตบริวารพระธยาศักท์ขหรด์เป็นบทของเสด็จศรีในเมืองโบราณศรีขอื่ออยู่ในตํากลางความสุขพระธาตบริการนางบาทบริจริตาิูากบวยไรนางบําเรอคายพุทธเจา้าคนเงนมีนตังสไนนั่น ก็เล่นดนตรีติดพินกล่อมจนหลับนอนเสร็จวันหนึ่งได้สารพัดบทเตืต่นก่อนบกคาถาบริวาลนางบัตรปริศาทั้งหลายหลับไปลกนหมดแล้วคนที่เล่นดนตรีว่าจะึ้นอะไรก็ตามนักร้องนักร้องโยนาตา ก็สลับสลด์หลับนอนกันโหดแสดงจีฮาอาการหลากหลายบางก็ท่าก่อนไม่ยู่งกับเนื้อกับตัวบางก็ละเมอไปก็บางก็น้ำไหลาไหลวิทยาศาสตรไม่เคยเห็นวิทยาการอย่างนี้มีเตะพร้อมเแล้วน่าอินดู ภาพเหล่านี้ไม่เคยเห็นมาตื่นขึ้นมาเกิดความสลดสังเว้คล้ายๆพระเจ้าก็ออกแกบประสาทอาชวังเข้าป่าก็พ่านทางที่พระเจ้าประทับอยู่พอดีคือปลายสี่ปรนนั้นเลือกไปกันเดินไปโนไปว่าทมานนีขัดข้องน้องท่านี้วุ่นวายน้องเป็นคำที่พระเยซาบ่นตลอด พู้ใจชอบยินโดยจัดว่าที่ยังไม่วนวายที่นี่ไม่แตกคลองเธอจะมาเถอเราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ทําที่พระเจ้าแสดงให้พระใาสะอาดฟังเป็นครั้งแรกจากนั้นจะเป็นการแสดงธรรมกัรนีบร้บ่อยที่สุดให้บรรดาตัวสนังของผู้เจ้าบพอหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้ว ยศศากระ บ, บุว่าลูกศิษย์ก็ได้โดนตายเห็นทาหรือทำข้อนี้หลังจากนั้นตัวกิจตอ่อเรื่องยศศิษย์ปิดหายก็อเสนีพระอรหันต์เป็นหลวงพระยาศาก็ออกหันแล้วก็มีพระจะหายอีกสื่อคนจะรู้ว่าพรยสศาออกจจกวางันแล้วก็ตามของตัวนี้ออกแจกวังเพื่อไปตาม ทา่านบิญมาละาาว่าของปุณชีความปฏิบติี่ส่อทันที่ตามมาตอลังก็บมดเหมือนหมดตามพระยะเพราะนั้นทำที่พระเจ้าตรัสกับพุอธบริษัทปฏิบัติทุกวันคือบดินอัการาหอาไวออมาเป็นต้นแบบมาชี้แจงเสดงให้พูกเราังว่าทาไมพระเจ้าต้องยกทเหลาน คือมาสอนพระเยะสะิอันนี้คือบรรทัดฐานนี่คือพื้นฐานของมนุษย์คือต้องมีต้องปฏิบัติต่อกันหนึ่งก็คือท า, าคงคือทางนะแปลว่าการให้จงปัจจุบันเราม่งแต่สังฆทานถวายพระจริงๆแล้วการให้ไม่จำเป็นต้องาหกับพระ โดยความหมายก็คือวัตถุประสงค์ของาทานคือต้องการให้เราเสียสละของมีอมุมหนึ่งจะโดยจ่างครับคือสละของอยู่ไม่งั้นชีวิตเราก็จะมีแต่ได้เข้นมาแล้วก็เก็บกเก็บกเก็บเก็บเก็บเหมือเก็บกระดาษได้เ ม, มาก็เก็บเก็บที่เป็นกระดาษ คือเราของของมีค่าวัานังบดลมหายใจที่อะไรังการสละออกอีกการเบาต่างเคื่องการคือเป็นเรื่องของสังคมสมเคราะห์สังคหอนุเคณะสมเคราะห์เป็นการเชื่อมใจซึ่งกันและกันในการถูกมัดในละดับจิตใจที่เราสดแสดงออกต่อคนรอตัวราครา้งต่อสังคมมันจึ่งใหญ่นขนาดนั้นแต่เราตัวเราพัลน า, าเกิด สบากับพระสบายสังฆทานได้บนเยอะเราก็แต่งกลังกันทีหลังแลว้วถุกประมรู้เป็นอย่างนี้คือทางถ้าโลกนี้ไม่มีทานก็มีการให้ซึ่งกันและกันเลยเราร้องนึกภาพออจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่มีน้ำใจให้กันง่ายๆแรงน้ำใจมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คื อ, อก่อนเกิดขา่าว ดวยสตร์การูเป็นเศรษฐีที่คนมีตังค์คือต้องการให้แสดงเห็นว่าโอ้คือเรามีมาทั้งหมดพุทธิเจาเนคนุ้างสางเวลาแต่แสดงอะไรมันไม่ได้เอาพระองค์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้เอาพระองค์เป็นเที่ยงมาามที่พระองค์ท่าจะเทียบแล้วไม่หเสียได้เลยแม้แต่เรื่องทางมันเช่นเดียวกัน เพื่อมีขอมีอยู่ที่ทรัพย์สินทางนวัยเลยถ้าพระ อ, องค์จะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างไม่มใครเสืาา่อมแต่พราะเขายกอันนี้ขึ้นมาเพื่อสอนให้ใหรู้เกี่ยวกับทัพย์สิโดยไม่พาลานาเป็นเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องแรงจูงใจก็จะไปต่อไปเพื่ อ, อย่าง ข้อสองก็คือศืละกระถาพูดถึงเรื่องศินเรื่องศินก็คือเรื่องของกายกับวายจาเื่อาจะต้อง ร, รักษาที่ให้มันปกติไมาให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้ตัวเองเดือดร้อ น, อออนด้วยตายด้วยวายจาของตัวเราเนี่ยอันนี้ถ้าใครก็ตามที่มารักษากาย ภาษาวาจาของทุกคนเราเนื้อควาพออกภาษากายคือรูปร่างกายที่รูปมาษาวาจาคือคำพูดที่เราใช้พูดกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นวาจาชดเชื่อใจก็ตามอันนี้คือศีลปะของมันจะเรียกศีลป์ธรรมดาปกติคือรักษากายกันาเราให้ปกติ อย่าให้มันติดปกติอันนคือสิ่งละของเพราะฉะนั้นการาักษาศิลป์คือรักษ า, ากายกับวาจาแต่มันไม่ถึงใจนะมันได้แค่กาย ก, ายกายับวาจากใจมันเป็นเรื่องของธรรมมันจะเรื่องของศิเพราะฉะนั้นภกษาศิลปคือกายวาจาเสร็จแล้วต้องรักษาธรรมด้วยคือใจอันนั้นคือสิ่งละาถาโดยที่แทนไม่ต้องพิารณาว่าถ้าใคร รักษาศีลได้คือการกวบอาจาย์ตัเองไ ด, ไ ด, ได้ตามที่เราเรบพูดกันทุกวันคือในมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติวิหารสมบัติตอตันทสองของศีลเราก็เป็นเพื่อนฐางกับมนุษย์ซื้อตังเงินมนุษย์คนไหนมีไม่เขบเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าศีลไม่เขาจะเรียกวเอมนุษย์ไม่ได้ในที่ละกะถา แต่ใครมีสินสังคมใดก็ตามดูเด็กกันไม่เกรอยอันนี้การลองพิจารณาในข้อหนึ่งเป็นาาออก็หนเอาแค่ข้อแรกไม่หิเดเรียนซักกานณ์ในการร้กายรู้ ว, วาจาอั น, นั้นคือปาณาติบายการโดยมุ่งไปที่ให้ใจของเรามีความเมตตาต่อกันความเมตตาเกิดขึ้นแล้วไม่แต่มดแมงตัวเล็กน้อ ย, อยทําไม่ได้ฟังไม่ได้าำไม่ได้ น, น, น, นี่จะดีเม่อไหร่อะไรพิซิล่กะถาโดยประมาณโดยเย่อๆต่อไปสวรรค์สักขะกระถางถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้ใครมีทานมีมีศีลเป็นเบื้องต้งตงตงสักขะโดยสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่อยู่เป็นที่มุงหมายเป็นอย่างน้อยคือสักขะโดยสวรางเป็นที่พิเศษมาก ไม่ใช่แค่สมบัติในมนุษย์อล้ถ้าพลังงานตรงสวุดต่อไปเริ่มหนักขึ้นแรงขึ้นนั่นก็คือบอกให้เห็นว่าโทษของการโทษใกันบริโภคการหรือการมาที่นว่า ก, กามาที่นึกเรียว่าโทษของตาโทษในกันบริโภคการท่อตาม คุกน้องกันบริพภการก็คือกรรมมาพบนั่นเองเพราะไม่งั้นแล้วผู้เราก็จะอยู่ในในเพราะอันนี้ทุกที่บริพภการคือกรรมาพบเป็นรูปประตามอารูปตามเป็นกรรมมาพบรูปประปรพ บ, ะพบที่ใช้รูปอยู่แล้วก็บริพภการไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวสัตว์ก็อยู่ในจิตนี้เสดนหุ่นโทษของการม กางก็คือกรารอารมณ์กรอามรมณ์คือเกิดที่เป็นที่อยู่ของมันมคือบอ่อเรือว่าแหล่งเราคือรูปเราเป็นหลงในรูปเสียงเช่นเดียวันผูชากัดติดเสียงผู้หญิงผู้เสียงผู้ชายในรูปเช่นเดียวกันก็จะไล่ไปเรื่อยๆตลนอนานวัดโทษของกามเป็นอย่างนี้อันนี้คือโทษของกามเราสิข้อสุดท้าย อีกพวกเชื่อก็คือในธรรมะเหมือนที่เราบวดถ้าเราทำทุกวนในธรรมะถ้าแปลจำลองง่ายๆแปลว่าภาษาเราง่ายแปลว่าการดำริออกจากกันชี้โทษหลดแล้วทางกระบอกการดำริออกจากการหรืองดใช้การชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังอื่นก็จะเรียกวันในธรรมะเหมือนที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวัน สะมนชีาเพราะะนั้นดยเ่พายอันนี้คื อ, อนักบวถทางจะใช้คำนี้คำด้คยกาใช้ก็คืออพรรยาเป็นคำสูงไม่ใช่กลางการในส่วไม่ใช่จังส่วนต่างกับส่ินห้าสิวนห้ากับสิ้แนแมันต่างกันตรนนี้คืออภริารยาไปบอกพระพุทธเพียงดังผมตอะนั้นก่อพระพุธเพียอผมทำไมตึงบอกว่าเพื่ดังผม เพราะพงษ์เขาไม่เสพกลามฉันพงษ์กขไม่มีเรื่องกลางพระต่ํากระนั้นก็ยัง ม, มีเรื่องกลางข้างเจ้าพ่อดีมะมันสำเร็จได้โดยใจคือแค่นึกแค่คิดทุก อ, อย่างก็สำเร็จแต่ก็ยังใช้อยู่ยังมีกระพูนยังมีพวกหล่อนอยู่แต่พงษ์ไม่มีเพราะนั่นจริงเลยว่าพงษ์นะเขาไม่มีเพศไม่มีเพศชายนี่แค่จริงในพวกเรา เขาจะมีการเสกของคุณเรียกว่ า, า, ย อ, ยาอัปมงคลยาอะไรคุณรู้สึกแบบของคมณเอย่างที่เรากับคไม่หานขึ้นอยู่ของคุณอย่างเดียแน่นอไม่ก็น้ำอัปมงคลยาการุณามีแต่พิจะช่วยคนทุกคนอยากทุกข์ตเห็นเสร็จแล้วก็มีแต่ใจที่จะคิดจะช่วยและพอยากสิ่งละนั้นเราคนทุกข์ แต่างก pues ็มุทิตาใครก็ตางที่ทําความดีก็แสดงความดีด้วยด้วยเงินทนายประมุทิตาการสิตาให้คืออุเบกขานะคือวางอารมณ์ช่วยไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ช่วยไม่ได้แล้วก็วางคือถ้าวางได้เขาไม่ได้ทุกข์กับเามันทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นนี่คือปัจจัยตรงนี้วางอารมณ์ได้หรืออุเปกขา นี่คุณลักษณะของพรหมเพราะนั้นถ้าพวกเรามรนุษย์ก็ต่างเป็นตัณห์เจ้าหน้าศีรษะก็ตามแตามีคุณลักษณะเหล่านี้เรียกว่าเขามาไว้หัวแปลว่าเครื่องอยู่หรือทมเป็นเครื่องอยู่ของพรมหรือทําเป็นเครื่องอยู่ของ ผ, อองอองผู้ใหญ่หมายถึงใจหมายถึงจิตถ้าเป็นใครมีสภาพอย่างนี้อยู่ในมนุษย์ก็เป็นพรหมได้ดุจบรรชัศน์พรหได้แล้วใครมาจากอะไร นี่คือกันที่เราออกจากการที่เราบวชกันกรรมละสีพังหรือตัวิบแปอันนี้คือห้าหัวข้อที่เราจะพลานอนนะครับเรื่อศาสตร์คุระ บ, บุฟังเรื่อศาสตรระ บ, บุตังแล้วคล้อยตามก็เกิดปัญญาจนได้ต่างๆเห็นทรรมคือโซดาบันยเป็นคนแรก หลังจากนั้นกับเพื่อนๆนี่ต่างแล้วพวกเราก็กสแสดงคําต่อไปคืออายักษัดสีเมื่อมีพื้นฐานแล้วจิตใจอมีพื้นฐานนี่คือสิ่งเพราะนั้นมักมีองค์แปดคือเซนเป็นต้นๆแล้วก็เซนสะมาทีปัญญาเป็นเกิดปัญญาแล้วก็สแสดงเรื่องอายักษัดสีชอบขึ้นกฎกวามนรระชาพูดถึงเรื่องคือทุกคือผล สมุทัยคือเหตุเวลาพูดจะแสดงแสดงผลก่อนไม่แสดงเหตุผลของมันเป็นที่ผลเป็นอะไงก็เพราะมาจากเหตุนันมันมีเหตุมันจะมีผลเหมือนต้นไม้มันมีต้นไม้ ม, ม, ไ ม, มันจะมีผลผลเกิดจากต้นต้นก็คือต้นเหตุรักษาบำรุงเรือรักษาดีผลมันก็ดีนั่นคือเหตุกับผล นั้นเหตุทุกคนจะต้องอยู่กับมันยังไงก็คือผลเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรผลก็คือทุกคําแรงคือทุกจึงมันเป็นผลมันจะหดทุกเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรผู้เจ้ามาดึงสอยให้เราละผู้เจ้าสอนให้เรากําหนดรู้ประเด็นใหญ่ๆคือกําหนดกําหนดสิ่งเหล่านั้น ว่าเออมันมันต้องมีสาเหตุเหตุมาจากไหนก่อนไชี้เป็นข้อที่สองสมุทัยจะเป็นต้นต่อของทุกนั่นเองสมุทยก็ต้นต่อของทุก ค, อกออก ค, คือเราพระทีสองว่าคือตั้หาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือต้นต่อของทุกันทุกที่เรามีอยู่มลหมนลษยแล้จริงอยู่ก็เพราะเหตุนี้แต่เราไม่ค่อยอยาสาเหตุของมัน้น ตัวทุกเนี่ยเป็นตัวเราจะต้องละไม่ใช่ตัวสมุทัยเหตุทางทุกเราจะต้องละคือป่าของละคุณจะต้องละละได้มากละได้น้อยนี่เปเรื่องหนึ่งแล้วแต่สติปัญญาของเราข้อที่สา็คื อ, คอต้องทําให้แก้งสติขริยะต้องทาให้แจ้งกันมาว่าใจของเราไม่เคยรับรู้สิ่ ง, งนี้เลย ไม่เคยรับรู้กระบวนการของมันการเกิดขึ้นทั้งอยู่ในดักราของมันเพราะนั้นตัวตัวเนี้ยวิโรนิโรต้องทาให้มันดับเพราะอะไรต้อรู้จักกระบวนการของมันต้องทำให้เจ้งโลสะจิ ต, ตกิริยาข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือมรรคผลทางหรือ ว, วิธีการในการดับขึ้นโรดังนั้น ก็คือสมาธิปัญญาเพรโดนต้นจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสมาธิกับมุ่งปฏิเสธให้เรามีสติศีลมุ่งให้เรามีกายวิญญาณปกติสมาธิต้ตองจิตใจมัม่มาธาธาธานคงเป็นสมถกรรมฐานหรือพิปนากรรมฐานก็นต่างๆพราะนั้นสมาธิมุ่งปฏิสติประทานศีลปฏิปานศีเป็นตัวปล่าปราบทันห้า ให้รู้จักขันห้าขันห้าเป ร, รูปเวทนาสัญญาการยานยอนตัวสติประฐานเสีเป็นฐานเป็นที่ตั้งทั้งหมดของรูปประขันนามขั น, ขนรือกัน5อนานนี้จนสุดท้ายคือสติแล้วก็ปัญญางเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวทำลายอาวิชชาอันนี้คือจริงพระเจ้าัแล้วก็บอกบทุกคทั้ง ที่โปลูกจนมีพื้นฐานอยูแล้วแต่ว่าเราต้องไม่ืมว่าทุกการที่ปลูกปลใครก็ต่างมันมีที่มามีที่ไปมีที่มาก็แปลว่าก่อนหนานั้นเชิงยศาสตรกระบวเป็นตน้นหรือบรรจารวกีก็ตางท่านหล่อ น, นั้นล้วนปัเพนมารีมาเกือเต็มเลยหบนน้ําเต็มตุ่มตักเข้าไปสองสามขันก็เต็มแล้ว มั น, นโนดนเงาหรือตักกระสับกระซาทั้งหลายใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะเราไม่เคยตัดใส่แกท่านบารมีปาระมีแต่ว่าทําเต็มถ้าจะเต็มแล้วพระเจ้าคนจะมาเติมเต็มไม่ใช่แบบพูดแค่ไม่กี่คําทุกคนก็สําเร็จหมดนะไม่ใช่เพรา ะ, ะนั้นจึงมีที่มาแล้ว่อาอดีตังใหญ่พรเจ้ารู้จักยานในอดีตมันจะโปล่ใครก็ตามมีที่มาม่ที่ไป และทุกคนทื่พอพระองค์เคยโปรดจนสำเ็จนั้นแม้แต่สาวกก็ตามเจ้าพิธีก็ตามทุกคนล้วนทำความปรารถนาความตั้งใจเอให้กับผู้เจ้าพระองค์ก่อนทั้งนั้นแม้แต่เป็นสาวกด้านซ้ายก็ดีด้านขวาก็ดีในทุกค น, มนไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าใครจะเป็นในทุกคนในความหมายคนนั้นพวกเราต้องได้ไปน้นอมอกน้อยใจอเอา ผู้ยาประจักแล้วว่าที่มนุษย์ทั้งหลายได้เกิดในโลกบา้า้เป็นคนมีบุญเป็นคนที่ ท, ทําความดีมา ก, ก่อนทามาคงได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ผู้จะลืมวาแม้แต่เทวดาที่อยู่บนสวรรค์แล้วเขาก็ต้องการขอเป็นมนุษย์เพราะกขามุนไปต่อไปได้ได้ไปก็ะเสวยสเสวยผลบุญที่เราไปอยู่พวกสัตว์ในโกก็เช่นเดียวกัน เขาต้องการเขาเขาเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ทำให้เต็มเติเต็มเต็มเป็นเต็มแต่ว่าไปสวยแล้วทําอะไรไม่ได้เพราะเหลือแต่ขันห้าเหลือแต่ขันสี่ไม่ได้เหมือนพวกเราพกเรายังมีขันห้าแต่เราไม่เห็นโทษของขันห้าเพราะยังอยู่ตรงนี้ไม่เห็นโทษของขห้าคือไม่เห็นโทษของรูปที่เรามีอยู่รูปคือดินน้าไฟลงเราไม่เห็นความตรงนี้ ไม่ถึงคือไม่คิดเป็นเกิดความเบื่อหนายในสิ่งเหล่านี้กลับไปยึดไปเกิดอุปทานในสิ่งหนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นของของเราประดับกันที่สองที่พระเจ้าตรัสแสดงกับพระเจ้าโอเคืออะไรแต่ละกันสุอความไม่มีตัวไม่มีตนก็คือพูดถึงกานห้ามเหมือนเดิมคือต่อยอดจตกตัวเดิม ก็คือขันห้าแล้วมาต่อในอนัตตาความนิตัวมีตนซึ่งหนึ่งในสามัญญาลักษณะก็คือใจลักพุทธเจ้าพูดถึงใจลักคือลักษณะสังอย่างของเวนเวสัตถ์ทั้งหลายประการแรกก็คือพูดถึงการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติเป็นสังคตตธรรมสังคตาธรรมก็คือขันห้านี่แหละ สังกัตธรรมธรรมชาติของเราคือการปรากฏคือการเกิดการปรากฏตัวขึ้นมองปรากฏตัวเสร็จแล้วเคือมีการเสื่อมแต่เราไม่เห็นการเสื่อม้วยปัญญาประการสุดท้ายคือความแปรปรวนคือตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันเกิดความแปรปรวนเป็นสับสลายจนในที่สุดนีคือธรรมชาติของสังกัตธรรมก็คือขันห้าพูดง่ายๆธรรมชาติของขันห้าเป็นอย่างนี้ ส่วนอสังกตาธรรมธาตุปุถงกายคือนิพพานนิพพานไม่มีปจัจจัยอะไรมาปรมาแต่นงนั้จิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานส่วนสังกตาธรรมมีครบมีจิตมีจเจตสิกคือสิ่ที่เจียวปนอยู่ในจิตเจตสิกรูปกร็ป ร, ก ร, ปรูปรูปันเนั่นอก น, นิพพานซึ่งยากที่จะไปถึงตัวสุดท้ายอันนี้ แค่แค่ถึงตัวสุดท้ายนี่ก็คื อ, ค อ, คอดับแล้วเป็นการดับซึ่งหนึ่งในเป็นอาสังกัตธรรมเมื่อดับเสร็จแล้วไม่มีปรจแจอะไรมาปรุงมาแต่งในแับว่าโยคะสังกตรธรรมก็คือที่พา น, นั่งวันนั้นทีเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้เห็นโทษใครของกันห้าหรือเป็นจาั ก, การังอันนี้ว่าในความโชคดีของเรายังมีเป็นจั ก, การันคือกัรห้าอยู่ นี่ถือเป็นความโชคงีแต่ความโชคร้ายก็คือไม่เข้าใจในขันห้านี้คือไม่เห็นขันห้านี้ด้วยปัญญาท่านจึงงงให้เราเพื่อให้เห็นด้วยวาวิปัสสนาคือทั้งรู้และเห็นขันห้าแล้วก็วางก็คือใจรักนั่นเองด้วยปัญญาเพราะคนที่จะรู้จักขันห้านี้คือคนนั้ที่มีฐานของสติ จึงเรียกว่าสติปัฏฐานพือฐานของสติจริงๆมันก็มานอยู่เยอะที่เป็นประจาเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมจริงๆมันเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่ตั้งเดียวกันกายก็อยู่นี่แหละเวทนาก็อยู่ในกายนะจิตก็อยู่ในกายธรรมก็อยู่ในกายแต่เราไม่เห็นอะไสักอย่างเลยอขั่นคือคือปัญหาของเราเพราะนั้นคําว่าเห็นในตัวนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาคนที่เห็นได้ปัญญาได้คนต้องมีสติก่อนสติต้องเข้มข้น ไม่ใช่ในช่วข้ามชั่วคาวเรื่อนี้หน่อยๆเหมือนจิดสงบสบรรพงดเรื่องนี้หน่อยๆอันนี้คือนี่ตรงไหนมันเกิดสติต้องตั้งมันมันนม่นคงที่ฐานก็เป็นที่ตั้งที่ประฐานหรือว่าฐานของสติสิบโมงปฏิกายเป็นหลักอันนี้คือดึงน้าไฟลงมาจะเป็นทุกขเวทนาที่มันอาศัยอยู่จะเป็นกายที่มันเกิดมีความสุขปฏิบัตเป็นความทุกขหรือว่าเฉย คือเวทมนต์ให้เห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วก็วางได้ทุกอย่างด้วยคหมายคือทุกขขปปท ก, ก็ให้เห็นสุขก็ให้เห็นอุเบกขาเฉยๆก็เห็นเห็นนั่นคือวางแา้วทุกวันเราวางไม่ได้เรากลับไปติดที่สุขเราไปลังเกียจทุกข์แล้วก็วางอะไรไม่ได้ทุกอย่างนี่คือจะผ่าวใจไปมันพอเราพระก็ถึงใจ ม่เข้าถึงสภาที่ใจหรือจิตของเราอย่างแท้จริงวิทยานิจเพราะความนี้มันจิตมันก็ไม่ผ่านเพรสิ่งที่มันเจือปนอยู่ในจิตมันสะสมจนกลายเป็นนิสัยนิสัยเป็นธรรมเป็นชื่นทุกอย่างจนชินเช่นพูดหยาบก็ยาบเพื่อนกันชืนไปต้นาของพวกนี้ต้องฝึกคําว่าฝึกนั่นคือฝืนไม่ใช่ตามไม่ใช่ตามน้ําทุ่นน้ํา ต้องัดวตามกระเซาะไปตามไม่ได้ตัวเราตามตามแต่ของตัวเองตามอารมณ์ของตัวเองไม่มีการฝืนไม่มีการฝึกเาเมันกับน้ํามันก็ไหลจนมันต่ำไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝืนมันสูงไม่ได้มันขึ้นที่สูงไม่ได้อตายวิทยาจิตเนี่ยเพราะไม่มีข้อธรรมเรื่องธรรมะจริยาข้อประพฤติหรือแบไม่ถูกยึดอะไรเป็นหลักไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือเรองปกติธรรมะคือกฎของธรรมชาติไม่ใครหนีกฎอะไรไปได้จนธรรมะนิยามคือแน่นอนกฎอันนี้แน่นอนนะกฎของใจรักนี่กฎแน่นอนไม่มีใครสร้างขึ้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ของมันและเข้าใจสภา พ, พว่าโลกกฎของใจรักนี่คือปรัชนาปรัสนาจบจุดเมื่อหมายเราต้องการให้จิตของเาเข้าใจรู้ใจนี่กฎใจรักก็คือกฎตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายปุ๋ยไง การเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการหัไปการเกิดขึ้นคือทั่วทั่วไปกระผมนุษย์ทั่วไปการเกิดขึ้นทั่วไปเนี่ยท่านมุ่งให้เราก็คนมีสินนี่คือข้อแรกถ้ามนถถุษย์ทั่วไปไม่มีสินไปต่อข้อที่สองแล้หมนุษย์เราบนโลกน 7, 000, 000, 000, คนนี้เจ็ดพันล้านคนเศรษไม่สเสมอกันเศรษฐไม่เท่ากันมันถึงได้เป็นอย่างนี้มันถึงได้เดือดร้อนมันถึงได้พูดวาย ถ้าสินเราเสมอกันเมื่อไหร่มันก็จะปกติทุกคนจะปกติไม่ผิดปกติคือต า, าก็ปกติโอ้ปกติตาก็ปกติาา ร, กกตร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นปกติหมดมจดุลว่าสิณอุศิลให้เป็นอย่างที่ทุกคนปเป็นเบื้องต้นข้อที่สองสิ่งที่เรามองไม่เห็นข้อที่สองท่านเน้นคือสมาธิสมาธิไม่ได้ไม่เกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่เห็นตัวเราเอง แม้แต่ภายนอกหรือภายในภายนอกคือรูปร่างที่เรามีอยู่ผู้หญิงผู้ชายนลักักข่าเด็ ก, ก, กและคนชราคือทั่วไปอันนี้ภาพลักษณ์ข้างนอกส่วนที่เป็นข้างในจริงๆถ้าจิตไม่เป็นสมาธิยากที่จะเห็นข้างในคืออะไรคือตัดไตเส้นกคุงขอ ง, ของเน่าของเหม็นที่เราสวดทุกวันอุจจารปัสาวะมดโุ ด, ดเราไม่เคยคิดเงเลย ว่าร่างกายของเราโอ้มันสกปกเน่าเหม็นขนาดนี้ไม่เคยคือกลายเป็นมันคิดไม่ได้ก็คิดที่ว่าเออมันสะอาดมันสวยมันงามก็ติดอุบาทว์อันอุปทานะอุปทานนัคือคันห้านั่นแหละยึดในคันห้ามองไม่ออกเลยเนี่ยเพราะจิตไม่เป็นสมาธิในเบื้องต้นคือมีสมาธิคนที่มาจิตจะไม่วางเห็นเสื่อเหล่านี้เมื่อมองไม่เห็นเสื่อมนี้มันไม่ต่างอะไรกับเขอแรกคือสิริลกคือเห็นว่าร่างกายครับ ทุบป่วยทั้งหมดแล้วถ้าเรามองเห็นทั้งภาพตั้งสองอย่างคือร่างกายปกติก็เห็นร่างกายข้างในก็เห็นมันจะมุ่งไปที่ตัวที่สามศีล ป, ปัญญาปัญญามันเกิดแล้วมันเหลือแต่โครงกระดูกถ้าเป็นรูปของคนรูปสุดท้ายเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกดถ้าเอาลอกออกทั้งหมดอ่ะมันเหลือแต่โครงกระดูก มองไม่ออกเป็นผู้หญิงมองไออกอาจานี่คืออ่านรักษาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ถ้าจิตมันเข้าใจถึงลักษณะอย่างนี้แล้วจิตมันก็จะไม่ยึดจึงจะไม่ถือหรือยึดถือมันก่็น้อยลงมันไม่มากจนหลงเราะมหะเนี่วิปัสสนามันเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะสละสละก็คือสลัดลิ้นนะไปเรื่ออันนี้ สละนี่คือจิตสละเรือสระบ้างเราไม่เคยอยู่ตอนที่เคยอาศัยอันนี้ด้วยปัญญาอันนี้คือจุดเมื่อหรายในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้มันต้องเป็นกระบวนการไม่ใช่เรื่องใดเรื่องสติปัฏฐานก็ช่นเดียวกันไม่ว่จาจะเป็นเ ร, เรื่องกายคือพิจารณาโมทีดีนัะคือา ก, การเวทนาที่อยางนึกถงวิญญาณกายพิจรารนา กายอนุปัชนาเรียกนั่นว่ากิจตานุปัสนานปัชนานิจจาก็บอกปัสน า, า, าคือเห็นนั่นแหละคือต้องการได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เอาทำรรนั่นคือมายกเป็นใหญ่เอาปฏิบัติสําหรับใช้สําหรับรู้ร่างกายธาตุสี่กันท่า น, นจึงเรียกว่าคนนั้นเห็นกายกับตัวเองกายอนุปัสนาเห็นกายตามความเป็นจริงมันไม่ใชเห็นกัน ทำความก็จริงไงเห็นทุกด้านทั้งด้านยาบก็เห็นด้านละเอียดก็เห็นที่มันอยู่เนเราจะเข้าใจสภาวะแต่มันเป็นอยู่มันที่มันอยู่ในตัวตนของเราทุกผู้ทุก น, นามมันไม่เป็นไม่เป็นใครทั้งนั้นแห่งอย่างนี้อันนก็คือที่ตั้งของสติที่เรีย ก, ปปปป ก, กว่าสติ ป, ประถานเพราะสติปัฏฐานนั้นขันมูที่ปุจจารใช้ยเขาว่าสติปัฏฐานเพราะว่าเป็นฐานของสติ อันนั้นก็เรียกว่าอาน า, านาความสติลมขึ้นหนึ่งในธาตุนั่นสิคือดึงด้า น, นไฟลมเป็นตัวแปรําให้เราเข้าใจสิงสภาวาสิ่งเหล่านี้เอาลมณต้นจากลมที่มันลมเข้าลมออกที่เราเคยพูดอยู่เสมอลมหายใจถ้าเข้าใจดึงลมแยกการหายก่นอนยิ่งเดือด ใ, ใจก่อนเสร็จแล้สติมันจะเกิดมีคือสติเกิดจรอยู่กับตัวเกิะระลึกภาวาสติรึกคือดมะนะันระลึกเกิดปัญญา คือรู้จริงเห็นจริงแต่สภาวะนี่มันจริงเขาก็าเหน็นคือปล่อยได้วา ง, ง่ายคือวางธรรมชาติของเขาดินก็เป็นดินนะเป็นน้ำไปก็ไปล้วมก็เป็นลมใจเป็นอิสระใจไม่เลยไม่ได้สุกไม่ได้สุกมันอยู่เฉยๆก็า ม, ามันนั่นคือสภาวะสภาวะของใจถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้ใจจะสบายเพราะมันไม่ยึดไม่คิดไม่ถือแต่มันก็ไม่ใช่ของง่าย ย่าเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปมันต้องผ่านทุกข์ก่อนมันต้องให้เห็นทุกข์ก่อนอย่างเช้นต้องการเานั่งนานๆยืนนานเดินนานเพื่อให้เราเห็นทุกข์นั่นแหละแต่ทุกข์มันมันทนไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ในสภาพอย่างนั้นก็ต้อทุกข์อาะารย์ท่านได้บอกให้ให้เดินเยอะๆนั่งเยอะๆไม่ได้นั่งเราไม่นั่งเพื่อให้มันปวดแข้งปวดขานั่งเพื่อให้เห็นเห็นว่าโอ้ทุกข์เป็นอย่างนี้ ทุกันมีอยู่ทุกันนี้จริงทำยังไงถึงจะข้ามไปสู่วันี้ได้คือเป็นข้อแรกเป็นโจทย์ข้อแรกที่เราจะฝาก ว, ว่าอันนี้คืทุกเนะแล้วมันมีเหตุกรรมันโอ้นี่แค่เล็กหน่อยเราทุกมามารู้กี่พันปีมาแล้วทุกันนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยเรายังทนไม่ได้ทําไมเราเล่นจุย้อนไปเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วเราก็เจอสภาวะอย่างนี้แต่ก็เออเราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะไม่มียางทัศนะ นี่มองจอตอนทัางอาทัางรังเพราะนั้นไอ้เอาสิ่งเหล่าน้เป็นหลักเป็นเกินในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งโดยหายใจเป็นหลักหายใจต่อนเนื่องถ้าเกิดเกิดสติเกิดปัญญารู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่าไปใจร้อนอย่าไปหน้าอกน้อยใจว่าที่เราทำอยู่เนี่เพื่ออย่างน้อยถ้ายังไม่หมดไม่พ้นมันก็เป็นหลักประกันเราประกันว่าถ้า ถ้าสุบรย์ขั้นแรกแล้วเนี่ยน้อไม่เกินเจ็ดชาเป็นอย่างน้อยให้ขึ้นนานที่สุดนะเด็กนะนเกินจะน้พูดง่ า, ายๆแต่ภาษาเราง่ายก็า อ, าอายุคน100่ะรอยปีไม่เกินจรอยปีเหมือนอายุเมืองเชียงใหม่นี่แหละแต่คนี่ใหญ่ถจ็ว่้เพียงไม่ถึงหรอกวันนี้คือแค่จดชาหนึ่งชาสามชาเจ็าจไม่มาวนไปเวียนมาคือวัตะูต า, าอัง น, นี่อน่ะคือตั้งเป้าหมายไอย่างนี้น ในชีวิตเรา ต, ต้องทําให้ได้มันมันไม่ได้ยากเลยแต่เพราะเราไม่พยายามแล้วความพยายามมันมีแต่มันไม่ต่อเนื่องเพราะอินทรีย์ทั้งห้าคือสภาวิริยะสติสมาธิปัญญามันทํารรมนที่ไม่ต่อเนื่องในสภางค์มันมีมันก็เชื่อมั่นในพระใจมีต้องเข้าใจเองแต่ความเปลี่ยนมันไม่ถึงสามวันห้าวันแก่บ้านเดือนหนึ่ง มาทำความเปลี่ยนขัน้นนึงเนี่ยแล้วความเปลี่ยนไม่ถึงเมื่อความเปลี่ยนไม่ถึงก็ไปเอาเหมันกับเหล็กเอาไปเผาไฟแต่มันยังไม่ร้อนพอมันตีเป็นอะไรไม่ได้พอต้องเผ า, าจนเหล็กมันเดิมจึงตีถึงเป็นออกเป็นหมมทุกคนวันถุนนนนที่ใช้ได้จิตของเรากขึ้นกันมันไม่ได้โดนเผามันไม่ได้อาปาปีอาปาปีว่าความเปลี่ยนยังจะเดชให้ร้อนนี่คือองค์ของอภิสนา สติมาสำปราชาโนอารมณ์ของอปรินปเสนเพราะเพียงเราไม่ถึงคือวิริยาถ้าทาวิยะสติสติไม่ต่อเนื่องกะขาดเกินๆระลึกได้ม้างระลึกมาได้มบนางสตาวิศิสมาธิเพราะเหมือนก่อนไม่ไม่มั่นคงมันก็วันไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันผัดสะก็เป็นกนระทบที่มันเจอเกิดทุกขา่าทุกข์่าวทุเปกขา่า แล้วมันมันไม่อยู่มันไม่เข้าใจในภาษานเป็นดันจนจนอยู่กับภาษาแต่ไม่รู้ภาษาไม่รู้ควาหมายแล้วก็ทายะสติสมาธิปัญญามันไม่เกิดเมื่อพยาญามันเกิดก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจที่จะละตอนปล่อยวางดินนะ้ำไฟลมพุทดวงคืนนะ้ำไฟลมคือรูปหนั่งแหละแต่ที่เหลือกือเวทนานยานะคะ่ะซึ่งมันอยู่ต้องไปต่อ ไม่จะเป็นพบในก็ตามโพนี้ไจะต้องไปต่อแต่มันก็ต้องอาศัยรูปมันก็ต้องยึดรูปอันนี้ไปอยู่เหมือนเราฝัน่ะคืออธิบายหลายรอบหลายครั้งว่าจิตตัว น, นี้มันต้องอาศรรัยมันต้องมีที่ตั้งก็มีที่เกาะไม่มีที่เกาะมันอยู่ไม่ได้เห็นไหแล้วร่างกายอันนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ที่เราเรือาตาวเรือดินน้ําไฟลมมันอยู่ไม่ได้ตายเราตายเพราะว่าตายตัมันอยู่ไม่ได้ แต่ที่จะไม่ตายคือจิตที่ยังต้องไปต่อนันจะไปยังไงเราไม่มเคยฝึกไม่เคยหัม่เคยปฏิบัติกําหนดอะไรไม่ไนดน้คือธรรมะียางคือความหนักจิตไปได้ที่ตั้งธรรมะติจิที่ตั้งของธรรมงของจิตมันจะตั้งยังไงจะอยู่ยังไงโดยสภาะวะนั้นเวลามีงานศพพระก็จะสวดอย่างนี้แหล ะ, ะยยแต่พระเอเิญไปสวดภาษาบาลีแต่คงจะเป็นคําที่พอมากเป็นคําที่มีความหมาย พวกเราเาก็อ่านเราไปแปลเป็นภาษาไทยดยูมันเป็นธรรมะชั้นยอดเลยเป็นธรรมะอย่างดีี่เรามาสวดศพทุกวันไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมะอพกุศลธรรมะเองไหมอันนี้คืออารมณ์การที่เป็นมันมีช่นอารมณ์ที่เป็นกุศลอที่เป็นอกุศลอารมที่เจอไ่คือธรรมอารมณ์เป็นกุศ ล, ลคือกุศลธรรมะอารมณ์ถืออกุศลอกุศลธรรมะพวกนีคดีชั่ว แล้วก็กลางๆภาษาเรานีมนุษย์เรามีสามแขนทําให้ทําดื้มันก็ทําชั่วเอฟกลางใจจริงๆเป็นกลางเยือมันจะนอกจอากเราจะเป็นสมาธิเท่านั้นที่จะวางสุขวางทุกข์ได้แล้วเมื่อคยอยู่กับสุขกับทุกข์นี่แหละคือใจมันคล้องใจมันติดอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้ไม่รู้รู้สติลึนนนนนนนออกนึกไม่ได้นึกไม่ออกนี่คืปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของพวกเราเพราะนั้น ที่ครูเจ้าม้สอนพวกเราคือสร้ามเรื่องแต้งให้เราได้ไม่สินนะม่สัตวิธินะมีปัญญานะถ้าจะเรียกว่าอาริยะนะรมรยาารคแต่มันยินง่งได้ยากอริยมรรคอริยะาพเป็วัตถุประสรค์มักจะเป็นผรตอบวัตถะอัปปสถ้าจอเราอริ ย, าารยะนะมรรคมีองค์แปลไม่ใช่อรอยิยมรรคต่ถ้าเราพูดอย่างนี้ถ้าเป็นสอบก็สอบตกละ เราจะเด็กพัทย์โยมปมมหาลัยสอบมัคแปดอย่างเี้ยตกเลยสอบไม่ผ่านเพราะว่ามัคมีองแปดองคือองประกอบมันไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งคือต้องมันต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญามันต้องเกิดร้องกันไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวเรือมีมัคเดียวมัคอแปดไม่ใช่เพราะมันเป็นองค์อง์รวมองค์ประกอบเรือมัคหรือองแปด เมื่อมักอิมเบสสามัคคีกัะมัคคสามัคคีคือมักกับสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกัคคตาอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกันมันก็คือสินสมาธิปัญญาแต่ยังไม่ได้แยกกันเลยเมื่อมันมีอารมณ์แปลนเดียวแล้วสินมันก็ไม่แยกสมาธิก็ไม่แยกปัญญาก็ไม่แยกมันเกิดขึ้นกับอารมณ์ของอะไรคืออารมณ์เอกัคคตาอารมณ์เพราะมีอารมณ์อันเดียวมันจะมีกําลังมันจะมีพลังมาก การที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าอายะศัพทั้งหมดทั้งมวลลายปรมลลามวนรวมก็อันนี้หมนถ้าเรามองเห็นภาพออกมันจะพอบอกว่าภาพแรกก็คือภาพคนทั่วไปัอันนี้ก็คือสินว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กหนนลายคนจะรับยัในเอวได้ก็ตามเหมืนวิทยาศาสตที่เห็นหนุ่มผ่าบังไม่นุ่ผ่าบางัาบางน้าลายไหลบงังเฟอรเจอคร์เจอร์บนบังอะไรเนี่ยก็คืออ น, นี้คือภาพแรกแล้วมองเห็นไปครบับอันนั้นคือสิน ประจุองคประกอบประจุตัวสองก็คือต้องมองให้เห็นทั้งสองนักถึงด้านนอกก็มองเห็นด้า น, นในก็มองเห็นด้วยปัญญอด้วยพลังของสมาธิทวนเรามองไม่เห็นมองเห็นแค่ข้างนอกเราก็เกิดความชอบความชังไปแสดงไปเห็นเพื่ออะไรชอบคนนี้เห็นไม่ชอบคนเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้พ้อยอะไรถึงได้ชอบพ้อยอะไรถึงไม่ชอบไม่รู้ไม่รู้นั่นคืออวิชชาในความหมาย เพราะนั้นอันนี้คือภาพที่สองภาพที่สามถ้าเราเห็นว่าทั้งหมดอะถ้ามันมีอะไรเลยผมก็ไม่ดูหนังก็ไมนดูตับไตเส้นคงก็ไม่ดูไม่มีสภาพอย่างนีเราจะชอบไหมเราจะชังไหมเราจะยึดเราจะติดไหมจะมีอุปทานในสิ่งเหล่านี้ไหมเหมือนครองคระที่เรามองเห็นอยู่ข้างหลังหรืออาจารย์ใดถ้าเป็นเห็นอย่างเนี้ยจะมีการชอบการชังไหม ในโลกใบนี้มันมม แ, ตแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นคาว่าสิ่งเหล่านี้คืออารมณ์อารมณ์ค็อสิ่งที่เรารับมารับมาแล้วยินดีไม่ยินดีคือพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่สามารถเยียบบางได้นี่คืออตัวที่สองแต่ว่าทั้งสามอย่างถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นในขณะใ ด, ด ก, กันพูดยังไงเกิดขึ้นเร็วดับเร็วเห็นสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นการตั้งอยู่และกันดับไปเร็วนี่คือใจลัก สภาวะจิตของเราได้เห็นอย่างนี้ได้รู้สติสมาธิและปัญญาเร็วหมายว่าเห็นการเกิดเห็นการตายเร็วก็พอ เ, เห็นการเกิดและการดับของอารมณ์ของพวกเราอารมณ์เราชอบก็ตามอารมณ์ไม่ชอบก็ต้องทําให้มันดับเร็วให้มันเกิดเร็วดับเร็วพูดง่ายเกิดเร็วตายเร็วถ้าเป็นคนแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้ก่อจะเห็นว่าการเกิดและการตายเรามองโดยสภาพทั่วไป ทำไมเราจึงมัวหาจึงหลงในสิ่งนี้เพราะว่าเวลามันเกิดเราเราเห็นเด็กเล็เกิดโอ้ห้ารักห้าช่งไปแสดงความยินดีด้วยไปสักพักหมดลมหายใจลมหายใจจางไปแสดงความเสียใจจะไปเสียใจทําไมเมื่อมันเกิดมันดับคือมันตายแล้วมันก็ต้องไปเกิดอีกไปเกิดเป็นอะไรเป็นยูเทนาร์ติดทไมเราไม่คิดต่อว่าเออมนเกิดแล้วมันไม่มเกิดแล้วมันสูญหายไปเลย จิตอันนั้นมันไม่ได้สูญหายไปเลยอมันจะต้องไม่เกิดแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าจิเป็นยาไม่พอบุญบาป ค, ความดีไม่ยามหวอนมันจิตจะเกิดเป็นอะไรตัวนั้นมันน่าสังเวชมันนีน่พิธามากกว่าแต่อารมณ์นั้นมันไม่เกิดเพราะมาอยู่ในกระบวนการของมคิดของพวกเราเองเรียกว่ากระบวนการไม่ใช่อย่างไรอย่างหนึ่งต้องเป็นกระบวนการตัง้งแต่ต้นจนจบจเรียกว่าอารมณ์ของใจ ร, รักนี่คืออารมณ์ของศาสนา เรปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่ว่าจะสายไหนก็ตามมันจะว่าวิธีอะไรก็ตามสุด้าต้องเกิดเป็นอย่างนี้ต้องดึงเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจเ น, นี้แล้วก็ดิพิธาต้องเกิดความบื่อนายธรรมสังเวชต้องเกิความสเวชขึ้นในตัวเราแล้วก็ดิพิธาคือบื่อนายเมื่อความบื่อน่ายก็ขึ้นความคลายกำหนักคือวิราคาัลซึ่งไปทําอันประเสริฐไปทำอันสูงวิราโคเสตโตธรรมะนัง าา เ, รรเ อ, เอาวิราคาเป็นคำอุปเสสที่ผู้เจ้สมทุกยงเมื่อคนปัะจักรราคะแล้วกามที่วินยูยการมาพบมันก็ไม่มีใช้ตามมันก็มีเพราะประจักรราคะแล้วแต่อารมณ์พวกนี้มันต้องเป็นถ้าเป็นพระอริยต้องเป็นพระอน า, าคามีขึ้นต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นจะต้องมีอารมณ์ของพวกนี้อารมณ์อะไรที่คขาจะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการมันควบคุมการได้ ไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นแม้แต่ฝันอันนี้เป็นต้นแต่เป็นเรื่องธรรมชาติเขเรื่องธรรมดาการเรื่องของการกำลังมีอยู่เรื่องธรรมารชาติของเขาแต่ไม่ได้ใช้ของคุณนั่นคืออานาจารหนึ่งส่วนอาหารนั้นไม่ต้องพูดถึงนั้นมนโซโดาสกัดถั่ ก, กาายังมีอยู่เช่นนางสุตขาเป็นโซดาบันต้องเป็นสาวน้อยเก็ยังมีครอบครัวมีลูกมีหลานเต็มมากเต็มเลยแลโซดาบันถือว่ายังมีอยู่โซดาสกัดถั่ก ก็อย่างละไม่ได้แต่มันบาบางลงละไม่ได้เกิดขาดแต่เบาบางลงส่วนโสดาบันยังมีปกติแต่พระัตนาใจทั้งมั่นคงสิ่มั่นคงเอาชีิตเอาชีวิตเป็ น, ป, นประกันแล้วจะเรียกว่าสิ่งบนนี้เรียกว่าอายะการตะสิ่งอันนี้คือสิ่งของพระโสดาบันขึ้นไปโดยเฉพาะพัตนาใจชัดเจนแน่นอนอ ผมมีค e วามมั่นคงในพัฒนาต่ชัดเจอไม่มีอะไรที่ทำให้ค่อยเขลียนไปจากสิ่งนี้ได้ทุกวันเราโลกนี้เราในพัฒราไจเรา am am ยังไม่มั่นคงมงันจริงจะเป็นต้ตองพาลนาพุทธกุลธรรมคุณาสาคขุนเดรัสรัรพัชนาธรรมจ็กก็อันนี้แหละพลังพางพุทธคุณทราเพื่อให้จิตของเราจิตใต้สนจำอ่งหลังก็พัานาทุกวัน้ว่าพุทธานุสติอามานุสติสังฆานุสติทางภาคช้าภาคเย็น ก, ก, กับวันนี้ สิเราก็เอาของชีิตตัวผมเรายังจะเป็นสตาตา่างด้วยแผงกับภริษัททั้งหลายอันนี้คือมาตรฐานทั่วไปที่เรา ท, ที่ยโยบ่ายพระสวดมนต์แเช้าแต่เย็นทุกวันก็อันเดียวกันรวยก็มายย่อๆก็อันนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทํามันมีล้วนมีความหมายมมมไม่ได้ทำเรื่องเล่นถ้าเราทำด้วยความจริงใจด้วยความมีสติสมาธิและเกิดปัญญาอันนี้จึ่งเรยอะมากเกิดกปัญญาเพราฉะนั้นที่เราทําทุกวันนล้วน มุ่งหมายหรือป้าบมายของเราเพื่อสติแล้วก็ปัญญาแม้แต่ลมหายใจก็เช่ดียวกันเห็นลมหายใจแล้วต้องตามแล้วสติแล้วก็ปัญญามันเกิดขึ้นมันถึงจะด้มันถึงจะได้ผลมันจ ะ, จะรู้เข้ามาว่าโอ้เกิดความเบืหน่ายครายขนาดสิ่งนั้นได้เขต้องไม่สิ่ง น, นี้ถ้าลมหายใจชื้นๆลมจากกลางละเอียดแต่มันก็ไม่ต่อเนื่องแต่มันก็ยังดีดีที่ว่าจะมันรู้จักดูลมหายใจตัวเองได้ อย่างน้อยเอาก็ยงมีลมหายใจมี่ความโชค ด, ดีขก็เราเพราะนั้นอย่าเลินเริ่มต้นที่ลมหายใจตามด้วยความมีสติและตานี้ก็ปัญญาเกิดขึ้นจากเวลานี้มันก็จะเจริญขึ้นคาวา่างาซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่พระพูทธเจ้าของเราอยากให้พวกเราเมีนกนเป็นการขับว่าภาวลาญเราภาวนาก็าาาไปทําให้มีทําให้เป็ น, ท ำ, ปนทำให้เกิดขึ้น เขาดีเขาใหม่ๆมันเป็นกุศลธรรมมันเกิดขึ้นนี่คือข้อสิให้คือข้อศีในอริยลักองค์แปดที่พระอเน้นถ้าตัวภาวนาวที่เรามีเราเป็นเราเกิดขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นประ่มมลจากจะเข้าใจกับภาวนาคือศีลสมาธิปัญญาได้ทาให้มีศีลมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอริยสี่ที่พรอง พยาพยามเคลื่กันตลอด45ปันศาที่พยายามโกรดเป็นอุปสรร์ทุกวันวันไหนที่ไมโกรธไม่มีวันไหนที่พูดสนึ่งไม่มีแห่ื้นนั่นคือปฏิปทาของพุทธเจ้าพนั้นอยากให้เราหลัเจระเบินลอยต่างก็อยู่กับราบ้านคือพุทธเจ้าอยู่กันจริเบิอยต่างคือภาวนาพอภาวนาที่เราเข้าใจคือรับหูหลับตากินเดินนั่งนอนเรียกว่าภาวนาจริงมันไม่ใช่ ภาวนาเรต้องให้มีให e ้เป็นอะทำให้มีคืออะไรมีถ้าศีลมันเกิดขึ้นทําให้อะไรมีทําใหส้สมาธิมันเกิดขึ้นทําอะไรมีทำให้ปัญญามันเกิดขึ้นคุน้มเจริญเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิแล้วเจริญด้วยปวัญญาบุคคลใดก็ตามถ้าสามอย่างนี้เจริญอยู่แบบโลกก็เจริญอยู่แบบธรรมก็เจริญดันั้นก็ขอเราทั้ ง, งหลายได้มีความเจริญ ท, ท, ท, ท, ทั้งทั้งโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเพลิน